ทีเราไปมาเมื่อ ก, กี้นี้ก็คือการบินทบาทเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆเฉพาะแต่ตัวเราเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าช่วยไม่มีใครเขาให้กินให้ฉันหรอกเนีย่ยด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าต้องคิดถึงพระธรรม คิดถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นพอ่อพระธรรมเป็นแม่พระอริยสงฆ์เป็นพี่นั่นเแ้นไหมพระพุทธเจ้าเป็นพอ่อพระองค์ไปเที่ยวหาแม่อยู่6ปีกว่าจะพบแม่นั่นแล้วก็แม่กนแล้วก็คลอดออกมา พระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่ส่วนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเี่ว่าเป็นพระอริยสงฆ์พระสงฆ์เป็นพี่เป็นพี่ของเราถ้าพี่ของเราไม่เสื่อมทอดก็จะไม่มีพระธรรมพระพุทธเจ้าก็จะหายไปทีนี้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะตตรูเป็นพระพุทธเจ้า นั่นคือจะจะรู้พระธรรมเมื่อได้พระธรรมมาพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าทันทีคลอดเป็นพระพุทธเจ้าทันทีทีนี้เมื่อคลอดพระธรรมคลอดพระพุทธเจ้าออกมาคลอดพระธรรมออกมาพระธรรมนั้นเนี่ยที่เราจะต้องสืบทอดเราที่อยู่ภายหลังเนี่ต้องสืบอทอด ด้วยการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติพระธรรมก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปพระธรรมในตัวในใจของเรานั่นแหละก็คอ่คอยหายไปหายไปหายไปกลับไปสู่ที่เดิมอีกพระธรรมกลับไปสู่ธรรมชาติตามเดิมคนไม่รู้จักพระธรรมฉนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่ พระอารียสอ์เป็นพี่พระพุทธเจ้าทํานายเราอ่าเราก็ได้กินข้าวอตั้งเครื่องจับเครื่องก้นทอผ้าให้เราถ้าสีนี้ยี่ห้อพระพุทธเจ้าแน่ยี่ห้อพุทธบริษัทแน่เห็นไหมทอผ้าให้เราแล้วก็พระที่จะบวชเช่นว่า ต้องการจะบวชจริงๆไม่มีเงินซื้อผ้าใกลๆก็ช่วยอย่างนั้นใกลๆก็ช่วยทางนั้นเลยนี่เน็นไหมอยานั้นเราองค์ก็สร้างโรงงานให้เราโรงงานทอผ้านอกจากทานาให้แล้วเราเพียงแต่ไปเอาบาดไปเยื่อนให้เขาเขาก็ใส่ให้แล้ว นั่นพระองค์ทานายเราสร้างครัวให้เราสอนพระธรรมพระธรรมคือคำสอนไม่ใช่พระธรรมคือเราต้องปฏิบัติไม่ใช่กวางแค่คำสอนไม่ใช่แค่อ่านหนังสือต้องเอามาปฏิบัติสภาวาโตพระกาศลธรรมโมีิพูดวันก่อนนั่น เราต้องออกมาปฏิบัติให้รู้จริงนั่นประธรรมนั่นคือแม่ของเราประธรรมเป็นแม่ส่วนพระอริยสงฆ์ท่านก็จะต้องสื่อทอดทีนี่พระอริยสงฆ์มีแต่หาลาบมายยศหาชื่อเสียงลาบยศสรรเสริญความสุขทางเนื้อทางหนัง แล้วไม่หมดถ้าไม่มีพระอริยสงเสริมทอดมันก็จะหมดแหละศาสนานี้ดังนั้นเรามารวมกลุ่มอเป็นพุทธบริษัทคือบริษัทของผู้รู้บริษัทของผู้ตื่นบริษัทของผู้เบิกบาน <S <S เห็นไหมดันั้นเราการปฏิบัติของเราไม่ใช่ได้ผลเฉพาะเรา ได้ผลกับคนอื่นด้วยเราก็จ่ายโทษให้เขาอะไรให้เขาแต่ทีนี้เราจริงแค่ไหนเนี่ยความจริงของเราแค่ไหนเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นพระเป็นเนรเป็นพิกูเป็พิกษุนีอุบาจกอุบาสิกาอันนั้นแค่เปลือกเปลือกทั้งนั้นเลยอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่น แต่ว่าเป็นเครื่องหมายนี่เป็นเครื่องหมายแต่อย่าไปยึดมั่นถือมันเปลือกกูเป็นนั้นกูเป็นนี่กูเป็นโน้นอย่าไปเป็นของจริงนะอย่าไปเป็นข้้งอยลึกๆนะอย่าไปเป็นพระโสดาบันแระจักรยติตรีวิจิรกิจารีรัตตาปรมาทนั้นเบื้องต้นแต่อย่าไปเป็นพระเสดาจบันพระโสดาบันก็อย่าไปเป็น พระสกิทากามีทำโลภะโททายเบบางขูดเกาไปเรื่อยแต่อย่าไปเป็นพระสกิทาคามีก็อย่าไปเป็นพระอนาคามีพระความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ไม่ใช่ในโลกข้างนอกในจิตนั่นแหละจิตนั่นก็คือโลกโลกหนึ่งตัวเราคนหนึ่งมีมีโลกส่วนตัวกันทุกคน นั้นละความพอใจและความไม่พอใจในโลกภายนอกภายในนี่ออกไปเสียได้นั่นคือพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์ท่านก็ต้องละทั้งแปดอย่างต้องละที่สาคัญที่สุดคือตัวกูละตัวกูนะรูปาราคะรูปจาร์รู ป, ราารปารอารูปราคะอรูปจารพอได้จาร์ก็ละไม่ได้ เที่ยวหาลาบจักรละเที่ยวเหยิยบโนดมั่งเที่ยวหาดูตัวเองต้องการอะไรมันมีอยู่ในโลกนี้มันอยู่ที่ตรงไหนคนหายพบนี่รูปราคะรูปราคะคือรูปปัจจันอารูปรากะก็คืออารูปรปัจจัน อารูปฌานก็อากาสานัญจายตนะปัญญาัญจายตนะหากินัญญาญตนะในวัญญานาัญญายตนะอันอารูปฌานนี่ต้องละใครเจอแล้วก็ต้องละไม่จะเก็บไว้บนหัวเก็บไว้ไม่ได้อารมูปฌานก็มีวิตกวิจารณ์ ปิติสุขเอกะกะตานั้นรูปฌานส่วนอรูปฌารมันก็ละเอียดไปอีกอากาศานันใจยตนะเอาอากาศมาเป็นอารมณ์สัญญานันใจยตนะเอาตัวรู้มาเป็นอารมณ์รู้แล้วทีนี้รู้ไหนเพชรอยู่ตรงไหน อ, อย่างที่ทีนี้เพชรอยู่ตรงไหน ก็นั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งไปแล้วก็เล็กไหลอยู่ตรงไหนนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งนั่นแหละทีนี้อยากรู้แล้วก็รู้รู้รู้รู้มันมีทั้งตัวกูผู้รู้ที่ยึดมั่นถือมั่นมันมีทั้งสิ่งที่ถูกรู้ก็กล้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นวิญญาณัญจายตนะออากินจัญญาญตนะ รู้ต่อไปอีกไม่เห็นมีอะไรริงที่รู้ก็ไม่มีอะไรไมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, บนั่นอากินจัญญายาย น, ะนะแค่รู้อะไรรู้ทุกอย่างว่างจากตัวตนเน่ทุกอย่างมันว่างจากตัวมันเองทั้งนั้นร่างกายก็ว่างจากตัวมันเองมันถึงไหลเรื่อยจิตก็ว่างจากตัวมันเองคิดเกิดคิดดับคิดเกิดคิดดับมันไม่ว่าง เพราะว่าเรากล้าไปยึดมั่นถือมั่นมันที่เขาทีนี้เขาก็ให้เห็นว่างตะแวบหนึ่ ง, งกินจัญญาญตนะหเห็นแต่ะแวบหนึ่งก็งเห็นแตะแวบหนึ่งเราก็ตายรูปเอาไว้แล้วตายรูปแล้วเราก็เจริญใมนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้ทุกอย่างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันนี่มันก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นในวัญญานาสัญญาญตนะ มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ถ้าพูดภาษาคนมีหมดทุกอย่างแต่ถ้าภาษาธรรมะทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นุญญตาทุกอย่างว่างจากตัวตนภาษาคนมีแต่ภาษาธรรมะที่ลึกซึ้งว่างมีว่างว่างมีว่างว่างนั่นไม่กล้าไปยึดมัน่นถือมัน่นนั่นคือ ติดติดกันนักหนาน่ะคือติดฌานไม่ว่าพระสงองค์เจ้าไม่ว่าอญาติโยมถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็ติดติดติดติดเป็นโรคติดเป็นโรคติดเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องระวังระวังอย่าไปติดอย่าไปดติดไปติดมาไปติดตัวกูนั่นแหละไม่ใช่ตรงไหนติดตัวกู กูเป็นพระกูเป็นเนนกูเป็นชีกูเป็นกูบาอาจารกูเป็นนั้นเป็นนี้เป็นพระโสดาตากิตานาคะเป็นพระระหันนั่นแหละถ้าติดละคือติดสิ่งไหนเมืกับบ้ากับสิ่งนั้นแหละมันก็บ้ากับสิ่งนั้นนะฉะนั้นถ้ามีตัวกูแล้วมันยังติดเอาตัวกูออกไปมันจะลุดติดที่เป็นตัวกูนั่นแหละ อย่าเอาจิตนั้นมาเป็นตัวกูจิตนั้นเป็นเป็นธรรมชาติปล่อยมันไปเสียมันเป็นธรรมชาติตามเดิมปล่อยมีหน้าที่ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยที่บอกว่าให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูอยากจะเป็นพระอรหันนะถ้ากูเป็นพระอรหันกูก็บ้าแล้วมันไม่เป็นเพราะว่าเขาเว้นพระอรหันนี่คือเว้น เว้นเว้นไม่เอาอะไรทางนั้นปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ศึกษาให้รู้พอศึกษารู้แล้วออกอันนี้มันมาอย่างนี้ออกไปอันนี้มันมาอย่างนี้ออกไปอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่ถ้าเรากล้าไปยึดมั่นถือมัน่นเราก็เสียท่ามันเสียท่ามันทีนี้แล้วต่อไปถ้าในโลกนี้ไม่มีพระอรหัน ก็จบเลยพระพุทธศาสนาก็จบเลยเนี่ต้องมีพระโสดาสกิธาอนาคาเดินไปตามลําดับก็ได้แต่ไม่เดินตามลําดับเดินออกวิปัสสนาไปเลยไม่ใช่ไปทําได้เริ่มต้นแต่ถ้าก็เริ่มแล้วเริ่มอีกเริ่มแล้วเริ่มอีกอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มันต้องขึ้นต้องขึ้นไป พ็ได้โอกาสแต่มันเว็บเดียวมันก็จะรู้แต่เราจะลืมการภาวนาอการภาวนาเนี่ยเรื่องไม่ใช่กูเนี่ยก็คือว่างจากกลัวกูพอว่างจากกลัวกูมันใจว่างแต่ร่างกายจิตมันต้องว่างจากความรู้สึกด้วยมีความรู้สึกแต่ว่าไม่เข้าไปยึดมัน่นในความรู้สึกตัวนั้นว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู ความรู้สึกที่เราไม่เอานะ่ะที่เราปล่อยไปความรู้สึกอความรู้สึกคือทางจิตและความความรู้สึกที่เกิดกับสิ่งที่เราก้าไปรู้สึกเล้ก็ปล่อยทางนั้นเน่ยไม่มีอย่างอื่นมีแต่ปล่อยทางนั้นไม่ใช่มีแต่เรื่องยึดต้องมีเรื่องปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยภายนอก ห้ามข้าวไปไหนภายในเองห้ามมายุ่งเรื่องภายนอกนี่ทำเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะนอนอย่างนั้นเราต้องการที่จะนอนหลับปล่อยเลยทุกเร่งทุกอย่างไม่เอาอะไรนอนว่างๆอย่างนั้นนอนว่างๆเราก็นอนเลยอไม่ยึดมั่นถือมันอะไรนอนว่างๆนอนว่างๆนอนว่างๆพอเวลาจะตายขึ้นมาเน่ะ ก็ตายว่างๆกันนั่นแหละตายว่างๆถ้าเราไม่ยึดมั่นถือม pues mm ันว nah, ่ามันเป็นจิตก <es> ู้ไม่กันไม่กล้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวกู้ร่างกายกู้นี่ก็เลยนอนว่างๆนอนว่างๆแล้วก็ตายว่างๆเจ็บว่างๆแกว่างๆหนุ่มสาวว่างๆมีว่างๆมีแต่ว่าว่างนี่แหละ แนวสัญญาณสัญญาญตนะไปทําดูดิแนวสัญญานาสัญญาญาตานะไม่ตามลําดับก็ได้แต่ถ้าไม่ตามลําดับไปไปบอกเพื่อนไปพูดให้เพื่อน ว, วังมันต้องเริ่มต้นเริ่มต้นถ้าได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเอามันเพราะเราไม่มีอุปนิสัยก็จะไปเอามันถ้าไม่ได้ไม่ได้อย่าไปคิดว่าต้องได้ชาญ อานก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้ก็อย่าได้มันไม่ทุกมันอย่างเดียวพอแค่นั้นก็พอแล้วนี่อย่าไปหวังว่าต้องได้ชานถ้าได้ชานไปหลงอีกเอาไหมไปเที่ยวหาเพชรหาทองอยู่ในภูเขาไปเที่ยวหาเหล็กไหลไปเที่ยวหาอะไรอยู่ในภูเขาในโลกนี้แหละก็เจอบไปถไดอย่างนั้นมันก็ด้วนนะด้วนนะ ไม่มียอดอย่างนั้นไม่มีด้วยไม่มียอดแล้วก็กล้าไปยึดมันถือมันไอ้ที่หลังก็เปลี่ยนทิศทีนี้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศ เ, เป็นพออ่ามีได้ฌานขึ้นมารู้นั้นรู้นี้รู้น้นรู้มากเกินไปแต่ดับทุกข์ไม่ได้อพอรู้แล้วก็ไปสอนคนอื่นสอนในตัวที่ตัวเองรู้นั่นแหละรู้ด่วนด้วนว น, นั่นเป็นยังไงทีเนี้ย ตอนที่ตัวเองรู้ไอาคนนั้นก็ปฏิบัติแล้วก็รู้อีกรู้ออย่างนั้นอีกนี่ถ้าอย่างนั้นเรียกว่ากุดกุดมันกุดยอดมันกุดนี่มันดับทุกไม่ได้ถ้าเราก็แนะนำไปในทางที่ผิดอย่างนั้นเพราะว่าเอ้ปฏิบัติแล้วรู้ใจคนอื่นได้ให้เขาบริจาคเงินบริจาคทองอะไรไม่ยากเลยนี่เล่นอย่างนั้นถ้าเล่งอย่างนั้นก็ ธรรมะพังอยู่ไม่ได้คว้าผ่าธรรมะคว้าผ่าเลยอย่างนั้นไม่ใช่จะีวหาเงินหนาตองงายนั้นหนานี้ก็เราจะไปไหนเออว่าจะไปโน่นพ อ, ด, อพดีไม่มีก้ารถอย่าพูดไม่มีก็อย่าไปที่นั่นเน่ยอย่าไปพูดไม่มีก้ารถไม่มีนั้นไม่มีนีน้อย่าไปพูดอย่างนั้นนั่นหลวงพ่อจะคิดจะสร้างรูปเหมือนหลวงพอ่อ อา้อาวเคิดจะสร้างรูปเหมือนสร้างเลยเราก็ทํำยังไงอ่ะก่อนที่จะสร้างเราได้มาได้มาได้มาถามเขาว่าราคาเท่าไรที่เขาทำนั่นเราก็เก็บไว้พอรูปเหมือนหลวงพ่อที่หินโค้งนั่นรูปทองเหลืองนั่นไม่ได้เรี่ยอะไรใครสักบาทหนึ่งรู้กันเอาไว้นถ้าไม่ครบหลวงพ่อไม่ทําทุกอย่างทุกเรื่องนี่ บันไดวนนี้ก็เช่นเดียวกันล้านกว่าข้างหลังนี่ไม่ได้บอกว่าอ๋อฉันจะสร้างบันไดนะฉันฉันจะสร้างถนนนะฉันไม่มีเงินนะไม่พูดอย่างนั้นถ้าพูดคือไม่มีเงินแล้วหลวงพ่อบอกว่าอ้าวคุณกวีเือตอนนั้นหลวงพ่อจะสร้างรูปเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสแต่เงินยังไม่ครบก็เก็บข้าวคอด ก่าวคอดในการปฏิบัติธรรมพอจบข้อก็กโทษว่าป่ า, ปาได้เท่าไหร่ไม่รู้หลวงพ่อเอานี่หลวงพ่อจะเอาเงินนี้นะสมทบกับกองหลวงพ่อจ้างรูปเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาตทีนี้อ่ไม่ครบไม่ครบนั่นแหละคนประเสิฐก็เลยลายไวที่คุณกวีคุณกวีก็ส่งมาให้หนึ่งล้าน มันเหลือเลยทีนี้มันเหลือเลยเงินนั้นมันเหลือเหลือมันขาดอยู่ไม่มากเออหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ครบแค่นั้นเองก็ก็เลยลายไปเลยนั่นแต่หลวงพ่ออ๋อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่จนรูปท่านอาจารย์พุทธตาตัเสร็จเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนที่นี้พอเจอคุณกวีบอกหลวงพ่อจะทําถนนนะแต่คุณไม่ต้องบริจาคแล้วเงินที่คุณถวายมานั่นหลวงพ่อเก็บไว้แล้ว แล้วเอาทำถนนนั่นเพอหลวงพ่อไม่เอานะเรื่องที่ว่าบอกคุณไม่ต้องทําแล้วพอแล้วเงินมันมีแล้วจะทําถนนหลวงพ่อก็ต้องเก็บว่ายเก็บว่า้เก็บว่ยเอาทำถนนนี่เอาอย่างนั้นนะหลวงพ่อไม่เหมือนพระอื่นไม่เหมือนชีอื่นบอกง่ายหลวงพ่อจะไม่เรียอะไรไม่เอาแต่ถ้าใคร ตั้งใจจะบริจาคหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นเขาแต่ในการที่จะพิมพ์ใบดีกาพิมพ์บัตรอะไรไม่เอานี่ทําอยู่อย่างนี้ฉะนั้นทุกอย่างแหละทุกอย่างหลวงพว่อจะทําระบบนี้หมดไอถนนนี่ทาเป็นล้านล้านคิดว่ารวมแล้วไม่ต่ํากว่าสามล้านหลวงพ่อก็เก็บเอาไว้ให้จบแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อน ทีนี้มีคนก็ก็ข้าวมาคนห้าแสนห้าแสนหนึ่งแสนสองแสนนั่ก็ก็ก้าวมาแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นเขาเนี่ยเพรางานน่มันก็งอกไปเรื่อยๆอย่างนั้นงานถนนเดี๋ยวก็ทําด้านก้างมั่งเดี๋ยวก็ประตูบั่งเดี๋ยวอะไร ม, มันหลายเรื่องแต่ไม่ได้เดือดร้อนหลวงพไม่ได้เดือดร้อนดอกไม่ต้องว่าโอ้โยมนี่ทําถนนนะโอาใบดีกาไปไม้อย่าเลยอย่างนั้น พอใจวิสัยหลวงพ่อนี่ฉะนั้นทำอะไรไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนให้เขาสบายใจนี่เขาก็สบายใจกันคนมาวิ่งมาเวิ้งอะไรเขาก็สบายใจกันเขามาเห็นเขาก็สบายใจกันเราต้องการให้เขาสบายใจไม่ต้องการโอ้ด้านทำทำทำทำทำทำจนหน้าดําหน้าแดงก็ทําไปก็่างมันไม่เป็นไรเขาก็จะตายแล้ว โย่ทำมวมอายุมากแล้วก็พอแล้วนี่ทีนี้เราทำเพื่ออะไรเพื่อผู้อื่นเราทำเพื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าท้าไม่เพื่อผู้อื่นแล้วเราจะจัดจรู้ทำมวยเพื่อผู้อื่นอย่างน้อยก็เพื่อพระชายาของพระองค์พนางถามว่านี่จะเด็ดพี่ตายแทนน้องได้ไหมได้ได้ได้ได เราองกไปหาจนพบนั่นนะความไม่ตายน่ะก็คือจิตว่างนั่นแหละคือพระนิพพานนั่นแหละถ้าเราไม่ตอบแทนพระพุทธเจ้าบ้างะเราต้องปฏิบัติเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธเจ้าอายุของพระพุทธศาสนาอายุของพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาตามความสามารถที่เราทําได้ที่เราพูดได้ที่เราอะไรได้ ต้องทํากันอย่างนั้นถ้าศาสนาไม่มีอย่ยมาเกิดเลยทุกลูกเดียวไม่มีอย่างอื่นเราหาแต่สมบัติสมบัติสมบัติสมบัติหาสมบัติได้ทําอะไรมากๆากไปชื่อกอนโดหาพวกที่บ้านรถก็ชื่อรถ เ, เราก็รถหลายลคันรถคิกก๊อกทั้งนั้นเลยขึ้นเกาะลําบาก เลยต้องซื้อหมอยรวดเดียวไปบินดบาตก่อนรวดเดียวรวดเดียวขึ้นมาเลยี่บางกนเออหลวงพ่อซื้อรถทำไมอีกละ่ะอ่าวเดี๋ยวเอาขวานจูลขวาจนวาจูนพระลงไปไปถึงก็เอารถทารเล้งไปอา่าเวลาขากลับทารเล้งขึ้นไม่ได้อรถ ต, ก, ต ก, ก๊กเกาะไม่ปลอดภัยขวานจูนรับขึ้นมานี่เอง รับขึ้นมานี่ก็ต้องหามกันอีกมันหลายทอดหลายต้อเหลือเกินเอายองคุ้งไปหาอรอติดม้วนเดียวจบอ่ะคือตั้งแต่ขึ้นไปจากนี้ลงไปตลาดเิ็นตลาดเสร็จแล้วมาถึงนี่เลยยอมเห็นไหมถึงแล้ววันนี้นั่นความปรารถนาที่หลวงพ่อตั้งเอาไว้นี่ขอโนโมตนาสาธุกับคนที่ออกก้ารถนั้นสองแสนหนึ่งหมืน่น จองแถ้หนึ่งหมืน่นก็คือคนติ๊กกันแหละจองคันแล้วคนติ๊กชอบเื่อรถก็ดีแล้วเงินเหลือไม่เป็นไรนี่นั่นนี่ยของพ่อไม่ได้นั้นเลยรถจองคันแล้วคันแรกของพ่อไปอินเดียโอ้รถที่อินเดียมันเล็กเล็กดีของพ่อนั่งตอนขากลับไปสนามบินเออเล็กเล็กดีรถนี้ได้เอาไปบินตะบาดมันน่าจะสะดวก อ้าวก็ไปต่อรถตุกๆุกมาต่อรถนั้นอะต่อรถตุกๆมาเพราะต่อรถนั่นพอขึ้นนี้เพราตอนนั้นเราไม่ได้ช่างถนนความปลอดภัยมันไม่พอไม่พอความปลอดภัยไม่พอทีนี้เราก็ต้องตอนกันแหละต้องตอนกันอ่าตอนเกันเป็นทอดทอดเอะ ย, ยมคุ้งไปไอ้ที่ไม่ต้องตอน่ะไปซื้อรถไอ้ที่ไม่มันไม่ต้องตอน่ะ มวนเดียวจบนั่นแหละนี่แหละก็เลยซื้อถนี้มารถมือสองไม่เป็นไรมือ2มือ3ามถึงก็แล้วกันเราไม่ต้องหามต้องแบกกันมาอีกนี่มันจัดไม่ไม่ยุ่งยากนี่ฉะนั้นทุกเรื่องที่หลวงพ่อสร้างซื้ออะไรอย่างนี้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนรูปเหมือนของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รู้เลยน่นกองคุณ อะไรอ่ะลืมชื่อนึกไม่ออกตรงนี้ที่เขาขายบิ๊กไบต์หลวงพ่อไม่รู้เลยว่าก็ททำรูปเหมือนหลวงพ่อเสร็จแล้ว ก, ก็บอกทีหลังนั่นอสองแสนสามแสนก็ไม่เบาทีนี้หลวงพ่อจะไปทำเองมันก็ไม่ดีมันจะดังเกินไปแต่ว่าทำไม้จะมาทำรูปเหมือนทองเหลืองเพื่อเป็นหลักฐาน ทำเพื่อเป็นหลักฐานวัดนี้สร้างเมื่ อ, อไร่อะไรยังไงนี่ต้องการที่จะให้ตัวหนังถือก็มาติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สี่ด้านเพื่อสร้างหลักฐานว่าว่าหลวงพ่อมาสร้างวัดนี้นี่คือหลักฐานนั่นแหละแค่นั้นก็พยายามที่สะสมจะสมจะสมเงินเอาไว้เวลาได้มาน่ะจนทั้งรูปเหมือนนั้นได้แล้วเราก็มีหลักฐานสี่ด้านนั่นนะ่ะนี่ การนั้นไม่อยากที่จะรบกวนใครดังนั้นเลยทุกเรื่องแต่รบกวนก็พูดธรรมะให้ควังแต่ควังจนเบื่อเบื่อก็หลับไปเได้เลยไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องไปกินยานอนหลับอะไจะได้สบายฉานั้นเนี่ยคือทุกเรื่องแหละหลวงพ่อจะต้องรู้ต้องลงไปรู้เองแต่นีโยงกุ้งเขา คุณจานวิทย์เขาอเขาก็สละเต็มที่หลวงพ่อก็เป็นนั่งเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยง่ายเขาเอง ก, ก็ได้มีกําลังใจไม่ใช่เออเขาทำให้เรานอนสบายไม่ใช่นอนสบายไม่ได้ต้องไปเป็นพี่เลี้ยงอย่างน้อยเขาเห็นหน้านี่ต้องอย่างนั้นโยมที่เห็นไหมเวลาบอกว่าอ๋อยโยมชีเอ้าวทำตรงนี้แค่ร้อยทีแต่หลวงพ่อไปนั่งก็เพลบเดีแล้ว ยันเลยถ้าหลวงพ่อไม่ไปเขาดูมือแตกกอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยงานน่ะแต่ถ้าหลวงพ่อไปนั่งมือก็ไม่แตกะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเห็นไหมเพราะว่าหลวงพ่อทรงกําลังใจให้ทุกคนคือเมตตานั่นหลวงพ่อเห็นแล้วว่ามันไม่ตายดอกงานแค่นี้ฉะนั้นถ้าอย่างนี้แล้ววันนี้หลวงพ่อไม่ต้องไปนั่งนั่น ไอ้ที่มาจอดรถเนะ่ยไอ้กอ่อไม้ไผ่ดันก็ไปโน้นนะไปจะใฉยรถไปหรือว่าจะแบกไปหรือจะทูนไปก็ไปเอาไปเลยนะั่นแหละขยะที่ตรงนั้นเนะี่ยจะกอไม้ไผ่เมื่อวานนะ่นะวันนี้ก็ไม่ต้องไปถามว่าพ่อวันนี้ทํางานอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยตรงนั้นกอ่อไม้ไผ่แล้วเราก็จะทําให้เดียบร้อยนี่มันเป็นสถานีแล้วตรง น, นี้สถานีสถานีจอดรถวัด รถอื่นที่ลงมาได้ก็เราก็กันไว้ทางโน้นแต่รถที่จําเป็นมีผู้มีผู้สูงอายุอะไรพวกนี้เราก็ให้ลงมาได้นี่มันมันไม่เป็นสาธารณะที่ตรงนี้เป็นอาณาสาธารณะเราก็กันอาไว้ที่กลางๆที่จอดรถที่ตรงนั้นเนี่ยไม่กันอาไว้ยทวนคนวิ่งก็วิ่งกันทางโน้นจะวิ่งจะเดินจะตีลังกามาเเอาเลยทางโน้นแ า, ามโค้งนู้นเราเอาเลย เราก็ให้ให้ทางนั้นเนี่ยนี่คือเออไม่ได้ทําเพื่อตัวเองทําเพื่อคนอื่นทางนั้นเลยวัดนี้มันบ้าไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเขาทำเอาเองทางนั้นเลยเราทําเพื่อคนอื่นเนี่ยทีนี้ถ้าเพื่อคนอื่นมันก็สบายกันหมดรับสีนก็เอาเองนี่เห็นแก่ตัวเห็นไหมรับสีนเอาเองหมดอยปาาฏิบาติเราไม่กล้าสัตว์ไม่ใช่เพื่อผู้อื่น่ะ ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเพื่อผู้อื่นทางนั้นเลยในเรารู้แต่ตัวเองอะไรก็เอาเป็นตัวเองหมดเป็นของเองหมดนั่นแหละศาสนาถึงตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมีแต่คนเห็นแก่ตัวศาสนานี้จะอยู่ได้เพราะคนไม่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนับจากตรงไหนหนึ่งต้องเรานั่นอย่าจี้ไปที่เพื่อนหนะ้านิ้วสิบนิ้วหนึ่งกู้ในตรงนี้ เน่งกู้อย่ามีกู้นะต้องเล่นอย่างนั้นเห็นไหมศาสนาจึงจะตั้งอยู่ได้เพื่อนที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเ้าก็ไม่ต้องออกอะไรทางนั้นเลยผูดอะไรก็ขว้างจะร้อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรทีนี้อีกเรื่อ ง, ง, งหนึ่งสมมติอะเราบวชแล้วอยากจะอยู่บ้าน อยากไปอยู่วัดใกล้ๆบ้านอย่านะอย่าได้อย่างนั้นน้ำทั้งนั้นแหละญาติพี่น้องไปอยู่ใกล้ๆญาติพี่น้องน้ําทั้งนั้นป่าน้ำพระพุทธเจ้าไปอยู่ไหมไปอยู่ไหมที่พระพุทธเจ้าพระองค์จะจะรู้แล้วพระองค์ไปเพียงบางครั้งบางคราวแล้วก็กลับน้าทั้งนั้นนั่นญาติพี่น้องนั่นแหละเป็นน้ำเราที่ได้อยู่ใน แต่ว่าเป็นส่วนกลางไปเลยเป็นส่วนกลางนี่ถ้าหลวงพ่อไปอยู่วัดบ้านหลวงพ่อไปอยู่ทำไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ไวปรรไไ้ปฏิบัติธรรมได้จะคนไหมสอนี่เขาปฏิบัติธรรมไม่มีทางเลยมันเล่นหัวจนมันเล่นหวยเล่นเบอร์มันอย่างนั้นทางนั้นกี้เมามีครบเครื่องมีพระรุ่นพี่รูปหนึ่งที่อยู่ทวนโมก โยชื่อว่าท่านเฉลิมท่านก็ไปอยู่เป็นสิบปีทีหลังท่านอาจารย์ก็ส่งให้ไปอยู่ที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่พเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อปัญญาก็กลับม า, ามาอยู่ที่วัดจนประธานแล้วหลวงพ่อปัญญาท่านยังไม่กลับมาที่นี้เพราะญาติพี่น้องของท่านอะไรมันนามรู้ไหมเอาทีนี้ท่านเฉริม ท่านก็กราบลาท่านอาจารย์ไปอยู่วัดเจดีงามที่ละโนดทางไปอจงขลานั่นท่นี้ท่านอาจารย์บอวกนะอาาว่าเดี๋ยวไหนเธอจะไปทําอะไรไปจะไปอยู่ที่นั้นจะไปปรับปรุงชาวบ้านเวลาวันพระชาวบ้านมาสิบคนยี่สิบคนท่านในั่งเป็นแถวต้องนั่งกันเป็นแถวนี่ท่านไปจัดระเบียบหมดระเบียบมากเกินไป ทีนี่ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าคุณเอามีดโกนน่ะมีดที่เราปลงผมมาก่อน่ะรูมีดปราตาเอามีดโกนคุณเอามีดโกนไปอยู่ที่นั้นเอามีดโกนไปผามไม้สูงไม้สีไม่ได้มันไม่กลุ้มเห็นไหมท่านก็เลยไปเสียชีวิตที่นั้นเลยไม่ได้อะไรเลยนี่รู้ธรรมะแต่ไม่รู้ พุตธบริษัทเนี่ยจะไปโปรดญาติญาติที่ไหนอ่ตัวกูเต็มแต่ละคนแต่ละคนจะเอากันทางนั้นเลยจะเอากันทางนั้นมีแต่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นนั่นแหละญาติญาติที่ปฏิบัติธรรมมันไม่มีมันน้อยมากมันน้อยมากฉะนั้นใครตาคิดว่าเอออ่าอยู่นี้แล้วปฏิบัติธรรมแล้วรู้อะไรแล้วอกลับไปโปรดญาติได้ แต่ถ้าประโยชกับญาติโดนหนามตําทันทีไม่ได้เลยเด็ดขาดไม่ได้เลยนี่แม้แต่ในเรื่องของพุทธการเนี่ยภาษาดีบุตรภาษาดีบุตรมืองอนมือทองแปดติโกอแต่แล้วอยู่ได้ไหมไม่ได้จักชวนหมดญาติพี่น้องที่กรานตามหลังกันมาเจ็ดหรือแปดคนนั้น ให้ออกมาบวชหมดนั่นนเขาไปดู ด, ดิอะไรแล้วไม่รู้อะเริ่มชื่อนั่นนะของพระอาจารย์ิบุตรไม่ได้อเรื่องญาติเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดไปก็ไปพูดธรรมะไอ้กวางถ้าไม่กวางก็ดีไม่ต้องเหนื่อยมีญาติคนหนึ่งที่วันหลวงพ่อของพ่อยังไม่ตั้งทีนี้กลับจากโจรโมกก็ไปเยี่ยมเดี๋ยวแม่ ตอนนั้นก็ยังอยู่โนโม่ไปย้ำยมแม่พอไปถึงอา้าวไม่เป็นไรกันเองเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันทีหนึ่หลวงพ่อวันนี้ถ้าคุณทําอย่างนี้ต่อไปฉันจะไม่มาแล้วบ้านคุณนะ่ะก็ไม่ไปจนก็ตายแล้วตอนนี้ไม่ไป่อยนั่นนะ่ะเวลาก็ตายไยแต่ว่าบอกว่าถ้าคุณนั่งดื่มเหล้ากันอย่างนี้ฉันจะไม่มาแล้วนี่แหละญาติเห็นไหมก็ถือว่ากันเองกันเอง ไอ้กันเองนั่นแหละนั่นแหละมันอย่างนี้ทางนั้นมันทําอะไรก็ได้เห็นไหมน้ําทางนั้นถ้าอมีเงินมีทองมีที่ดินที่นาที่ไร่เอาไปอยู่ในที่นาตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าญากิญาติคนนั้นก็มาก็กุ๊กิกกุ๊กคิกกุ๊กคิกคนนู้นก็มาซึมซับซึมซับทีล้านนิดๆอู้ไอพูดเบาๆนั่นแหละมันน่ากลัว หนึง่งตาเพื่อนนะ่ะไม่เบาเบามันไม่ได้แหละเดี๋ยวเพื่อนจะยินแต่พูดดังๆอย่างนี้มันไม่มีปัญหาพรอควงกันหลายหูไอ้เบาเบากันทิกพกันทราบย้ายมีนะในกลุ่มของพวกเราเนี่ยอย่าทะเลาะกันเด็ดขาดถ้าทะเลาะกันหลวงพ่อจะไม่ให้พูดสามวันนั่นไม่ให้พูดสามวันเลยถ้าสามวันยังทะเลาะกันอีกไม่ให้พูดเจ็ดวั น, น, น ต้องอย่างนั้ น, นแล้วเราจะได้คุมตัวเองได้ไอ้พูดเบาเบาเบาเบาไม่ได้พูดได้ได้ยินกันทั้งหม ด, ไ, ดไม่มีปัญหาหรอกนี่นี่วันนี้ทั้งเรื่องภายนอกทั้งเรื่องภายในเราบอกกันให้รู้ทําอะไรก็ทํากันไปอะไรก็หยาบดัดซิบดัดซาบกันอะไรกั น, นมันก็พอแค่นั้นอยู่กันพอ ถ้ากว่าอยู่ที่นี่ไม่สบายก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วในโลกนี้น้องหลุมน้องหลุมอย่างเดียว่ทุกเร่งทุกอย่างจะดูกน้ําถ้าที่หลับที่จะนอนจะไปซ่อนนอนที่ตรงไหนก็ได้ไปไปเลยไปซ่อนนอนที่ตรงไหนไม่รู้จะนอนตรงไหนก็ไปนอนที่กระดูกกันไปนั่นอันนี้ก็กระดูกนอนก็กระดูกที่ก็จอยก็ไว้ แต่กระดูกนี่ดีหน่อยยังมีเนื้อมีหนังอยู่ไม่ต้องไปกลัวอะไรนั่นน่ะมันจึงจะได้ถ้าอย่างนั้นต้องใจถึงแต่ใจไม่ถึงแล้วไอ้อย่างอื่นก็ไม่ถึงหมดอะการปฏิบัติไม่ต้องกลัวเ อ, อเวลาวันนี้ก็ลงเลยไปพอสมควรแล้วก็ปฏิบัติเร่รีบปฏิบัติเก้าทํางานก็ต้องภาวนา ทานานก็ต้องภาวนานอนก็ต้องภาวนาภาวนาทังนั้นเดินก็ภาวนาอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมองค์ภาวนาเอาก็ปักกไว้เพียงเท่านี้